การสวดมนต์สองแบบแบบขอความสุขกับแบบถวายความสุขแบบขอความสุขตราบใดยังไม่ได้สุขก็ยังต้องทุกข์จากการขอร่มไปแบบถวายความสุขจะเกิดความสุขล้นหลามในเวลาไม่นานนักคนส่วนใหญ่สวดมนต์แบบหวังสรรพคุณของบทสวดสวดแล้วจะได้ลาบก้อนใหญ่ ได้ผัวได้เมียได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นเรียกสวดแบบขอความสุขปราบได้ยังไม่ได้สุขก็ยังต้องทุกข์จากการขอร่ำไปอ o r a ของผู้ขอแล้วยังไม่ได้จะมีลักษณะอ่อเหี่ยวซูบซีดแบบขอทานแต่ถ้าสวดแบบถวายความสุขเช่นสรรเสริญพระรัตนตรัยตามความหมายของอิติปิโสสวดด้วยความรู้สึก ราวกับอยากให้พระพุทธรูปมีความสุขเช่นนี้จะเกิดความสุขล้นหลามในเวลาไม่นานนักออร่าของผู้ถวายความสุขจะมีลักษณะเบิกบานไรขอบเขตแบบผู้มั่งมีสีสุขสำรวจใจตามจริงว่ากำลังสวดแบบขอความสุขหรือสวดแบบถวายความสุขในที่สุดจะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพเลยว่า ออราหอเหี่ยวเป็นกำแพงปิดกั้นกระแสพุทธคุณออราเบิกบานเป็นประตูเปิดรับกระแสพุทธคุณได้รับความคุ้มครองจากพลังใหญ่ของพระรัตนตรัยแบบเบ็ดเสร็จอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานขอแต่อย่างใด